แนะนำบทอัลฮะดีษบทนี้เป็นบทมาดะนียะห์มี 29 องค์การที่ให้การสนใจต่อการตราพระราชจำยัดการอบรมและการชี้แนะการสร้างสังคมอิสลามให้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งหลักการศรัทธาที่บริสุทธิ์และมรรยาทอันดีงามบทอัลฮะดีษได้กล่าวถึงเรื่องสําคัญสําคัญเรอง 3 เรื่องกล่าวคือ 1 จักรวาลทั้งมวลนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างและผู้ประดิษฐ์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 ทรงสรรเสริญสิ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้ถึงธาตุแท้แห่งข้อเท็จจริงของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้กำหนดจัดเตรียมจักรวาลองค์การต่างๆต่อมาได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุสลิมให้เสียสละมีใจกว้างขวางและบริจาคในทางของอัลเลาะห์เพื่อให้บรรลุสู่ความมีเกียรติและความสูงส่งแห่งกิจการอิสลามดังนั้นจำเป็นแก่ผู้ศรัทธาที่จะต้องต่อสู้เสียสละด้วยชีวิตและทรัพย์สิน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 บทนี้ได้กล่าวถึงข้อแท้จริงของโลกนี้และข้อแท้จริงของปรอทโลกและได้วาดภาพของโลกทั้งสองไว้อย่างละเอียดโลกนี้เป็นที่ศูนย์สลายไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเสมือนกับพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งได้งอกเงยอย่างเต็มที่เมื่อได้รับน้ําฝนแล้วมันจะมีสีเหลืองเหี่ยวแห้งร่วงโรยจนกระทั่งกลายเป็นเศษชิ้นไร้คุณค่าเมื่อลมพัดมามันก็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 ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอซับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวัลอฎ์วะฮวัลอะซีซุลฮะกีมสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลเลาะห์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณละฮุลมุลกุสสมาวาติวัลอฎ์ยุฮีวะยุมิตวะฮุอะลากุลลิชัยอิง องค์ดีตอำนาจเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นและทรงให้ตายและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งฮุวัลออวัลวัลอาคิร วัจ-ซอฮิร วัลบาฏินวะฮุวะบิคุลลิชัยอิงอาลีมพระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สุดท้ายและทรงเปิดเผยและทรงริ้นรับ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَشْفَعُ فِي الْأَمْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ พระองค์คือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและผืนดินในระยะเวลา 6 วันและพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงรู้สิ่งที่เข้าไปในผืนดินและสิ่งที่ออกมา لا ولن أنسى ما فعلتم له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور أمنات انเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์และการงานทั้งหลายถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์เท่านั้น يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وهو عليم بِذَاتِ الصُّدُورِ بَرُؤُง สองให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืนและพระองค์เป็นผู้รู้สิ่งที่อยู่ในซวงอกอามานูบิลลาฮิวะเราะซูลิฮิวะอันฟิกูมิมมาจะอะละกุมมุสตะคหละฟีนฟีฮ์ฟัลละซีนะอามะนูมินกุมวะอันฟะกูละฮุมอะจรูนกะบีร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 هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرحيم برอมเป็นผู้ประทานองค์การอันชัดแจ้งลงมาแก่มูฮัมหมัด บ่าวของพระองค์เพื่อนำพวกเจ้าออกจากบรรดาความมืดสู่ความสว่างและแท้จริง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 اولائك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون ย่อมไม่เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ก่อนการพิชิตนครมักกะห์ชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์หลังจากพิชิตนครมักกะห์แล้วอัลเลาะห์ได้ทรงสัญญาความดีงามสวนสวรรค์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย และอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทําใครคือผู้ที่อัลเลาะห์จะให้ยืมบริจาคในทางของอัลเลาะห์ด้วยการยืมที่ดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มผลบุญแก่เขาและเขาจะรับรางวัลอันมีเกียรติคือสวนสวรรค์ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِي سَوْفَ جَاءَ يَرَى بَنَدَا بُصَّطَا شَايَ وَبَنَدَا بُصَّطَا ญ